มิจฉาทิถฐิอยู่ตลอดเวลาน่นะกว่าจะข้ามมิจฉาทิถฐิได้ของเราเนี่ยโอขนาดเกาะพระพุทธเจ้านียังเป๋ไปเป๋มายังเอียงซ้ายเอียงขวาโยกหน้าโยกหลังก็เป่าขวาก็ไปซ้ายก็เป่าหน้าก็ไปหลังเหมือนก็ว่ารุ่นถูกเป่าด้วยน้ํอะไรนันนะไอ้ลมภายนอกพายุเนี่ยทนได้หมดนะเว้นแต่ลมปากพูดแล้วก็กระเทือนใจเหมือนนนะ กระเทือนใจเป๋ไปเป๋มาพัดไปพัดมาลอยมาลอยไปเหมือนกับลูกอะไรสักอย่างก็อย่างนี้แหละมันก็จะกว่าจะแหวกว่ายจากเรียกว่าสังสารวัตไปถึงบกถึงฝั่งเนี่ยยากแท้ันแต่ว่าฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือคือพูดถึงในแง่ของความอดทนบากบันแบบโง่โง่เนี่ยนะอาจจะทาไม่ยากใช่ไหย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 อนาคาริกธรรมปาละชาวศีลังกาบอกขอเกิดอีกยี่สิบห้าครั้งขอเกิดยี่สิบ้าครั้งกว่าจะสิ้นศาสนาพุทธเหมือนกันตายเกิดขอตายเกิดตายเกิดเป็นคนที่ต่อสู้เหมือนกับว่าต่อสู้ให้พระศาสนากลับคืนสู่อินเดีย ก, ก, ก็ก็ไม่ผิดนะเป็นหัวหอกที่สําคัญ ท, ที่เจ้าของสมาคมมหาโพก็นะเจ้าของสมาคมมหาโพประวัติน่าอ่านงานที่ประวัติน่าสนใจบ่าขอเกิดอีกยี่สิบห้าครั้งมาต่อสู้ต่อไป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 อุปมาสุดท้ายบอกว่าบุคคลฟังมาว่าผู้ใดหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดอสงไขยแสนกับนะเสียอสงไขยแสนกับก็บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่ย่อท้อเนี่ยนะกลับมีความพอใจว่าเรานี่แหละจะหมกไหม้อยู่ในนรกแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าตอนไม่ป่วยไม่ไข้ตอนไข้ไม่ขึ้นไม่รู้เราก็ามันร้อนขนาดในร่างกายเนี่ยนะก็ตอนไข้ขึ้นแล้วนะโอ้ยมันจะรู้ว่ามันนรกชัดๆเลยว่างั้นนะ ถ้าใครป่วยใครไข้ขึ้นเนี่ยโอ้โหเมันร้อนระอุไปทั้งตัวไปหมดเนี่ยนะมันเหมือนนี่นขนาดว่าบนโลกมนุษย์นะแค่สี่สิบองศาเนี่ยนะสี่สิบองศาในกายนี้นี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะห้าสิบองศานี่ก็เกือบจุติแล้วนะที่เนี่ยนะปีนี้ปีที่ผ่านมานี่เมษาที่ผ่านมาเนะี่ยสี่สิบกว่าองศาอินเดียตายไปพันกว่าคนตายเพราะความร้อนเนี่ยนะพันกว่าคน วความร้อนเนี่ยมันร้อ น, ร, อนระอุร้อนจากภายในร้อนจากภายนอกเวลาป่วยไข้ขึ้นนี่ไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันร้อนระอุไปหมดแล้วท่านก็ร้อนในนรกจริงๆกับตกนรกไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเราต้องไม่ลืมว่าอยู่แวดวงป่าปมิตรในทั่วๆไปที่พูดถึงพุทธาประทานเกี่ยวกับเรื่องกรรมะนะกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านไปทำชั่วเพราะท่านคบป่าปมิตร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 สังคมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปาปามิตรชักชวนกันในการทำความชั่วขนาดนั้นจะไปไหนก็ไปอาบายพันก็บอกทนนรกได้ไหมเวลาเขาอื่นเขาทำชั่วแล้วทำให้ตกนรกท่านทนในนรกได้ไหมบอกได้นี่ยนะฉันทะต้องใหญ่ขนาดนั้นกระว่าประชุมองค์ดเนี่ยนะกว่าจะประชุมองแ์ดเสร็จได้ครบองค์ดเนี่ยนะมีจิตใจที่แน่ๆก็คือพลังทางใจเนี่ยเต็มเปี่ยม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 โพธิยานอย่างเดียวไม่เป๊ไปทางอื่นแล้วเหมอนกันเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นว่าโอ้เราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิยานเป็นความคิดที่วัดทุกอย่างเพื่อสัมมาสัมโพธิยานอย่างที่ที่ฟังฟังมาหล า, หลายเรื่องเลใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังท่านจะรังเกียจเกลียดชังพ่อแม่ก็ไม่ใช่จะเกลียดรา จ, จะสมบัติก็ไม่ใช่แต่โพธิยานเรารักมากกว่าเนี่ยนะ จะว่าท่านไม่รักลูกไม่รักบุตรไม่รักภริยามไม่รักชีวิตก็ไม่ใช่แต่ว่าท่านรักโพธิยานมากกว่ามันทุกอย่างนี่มุ่งต่อโพธิยานเป็นความคิดที่มุ่งต่อโพธิยานนี่แหละเรียกว่าอภินิหารอภินิหารคือความคิดที่มุ่งตรงต่อโพธิยานกิจของอภินิหารคืออะไรเราพึงยังประโยชน์สุขให้สาเร็จแก่สัตว์เป็นความคิดที่ว่า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 พันอุปนิสัยตัวนี้แหละที่เป็นเหตุใกล้ให้ตั้งความปรารถนาว่าเราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนั่นนะเป็นจิตใจที่แน่วแน่มุ่งต่อโพธิญาณถามว่าเรากลังพูดอะไรอยู่พูดถึงว่าอภินิหารคือตัวปัจจัยแห่งบารมียังไม่ได้พูดตัวบารมีนะพูดตัวเหตุของบารมีก่อนเพึ่งเห็นว่าบุ ญ, ญวิเศษอันเป็นมูลนนะเป็นบุญที่พิเศษไม่ใช่บุญธรรมดา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 เป็นพระโพธิสัตว์พวกไม่แน่นอนแต่ถ้าตั้งแต่ประชุมธรรมะแปประการสำเร็จได้รับพุทธภยากรอันนี้ เ, เรียกว่านิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้อย่างลงสู่การปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณได้สมัญญาชื่อว่ามหาโพธิสัตว์เพราะไม่ไม่กลับจากนั้นเป็นธรรมดาเท่าว่าเป็นผู้ที่สัมมัตนิยามแน่นอนบรรลุแน่นอนต่อไปใน อนาคตแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอในสัมมาสัมโพธิญาณในภาวะทั้งปวงก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าตอนก่อนนะถ้าในพุทธวงศ์ท่านบอกว่าผู้นี้คือพุททางกูลพุทธะบกอังกูระังกุระแปลว่าหนอท่านผู้นี้คือหนอแห่งโพธิหนอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เมื่อเราค้นหาในครั้งนั้นค้นคว้าไปในทุกทิศได้เห็นฐานนะบารมีเป็นลําดับแรกถ้าหากว่าส่งใจไปในทุกทิศในใ น, ในทิศทั้งสิบนี่นะนะทิศทั้งสิคือข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเฉียงเฉีย ง, ยงอีกข้างบนข้างล่างเป็นสิบทิศมีณนะที่ใดที่ให้ทานไม่ได้มีไหมในสิบทิศเนี่ยนะกว่าผู้ชนะสิบทิศจริงจนะชนะทุกทิศเลยนะสามารถให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลธรรมได้ใน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 เพราะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมาธาตุใดธรรมาธาตุนี้มีอนุภาพมากหนอพระมหาบุรุษนั้นก็เลยน้อมไปในสัมโพธิยานนั้นทำธรรมาธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยการเห็นมหานุภาพนั้นแหลตั้งจิตไว้ในอภินิหารนี้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งแห่งอภินิหารคืออย่างท่านสุเมศบัณฑิตเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเนี่ยนะใจนี่ก็รักปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้น หรือถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเนี่ยถ้าใครศึกษาย ม, มะกะปาติหารที่พระองค์แสดงที่ควงคันดามาพลกหรือตอนที่พระองค์ลงจากดาวดึงที่เมืองสังกษะเนี่ยเนยเมื่อเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษมากธรรมธาตุอ น, นั้นคือสัพัญญุตญาเนี่ยสพัญญุตญาเนี่วิเศษมากจริงๆอ่ะสพัญญุตญาที่ยิ่งใหญ่พิเศษนี่แหละที่ทําให้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าแสดงมีความอริยนิหารอาริวัจ น, น์อัศจรรย์ขนาดนี้เห็นแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างนะครับเห็นแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้คือปัจจัยอันดับที่หนึ่งเห็นแล้วอยากเป็นบ้างอะนะก็จริงอนะอย่างที่บางท่านเขาบอกโอ้อยากเป็นทหารมากเวลาได้ข่าวว่าสวนสนามน่ะไปแอบดูอยู่นะั่นแหะอยากไปเป็นทหารอยากจะเดินสวนสนามแบบนี้บ้างก็เลยในที่สุดก็ได้เป็นทหารนะนะแต่ก็มีนะเด็กบางคนนี่เด็กบ้านนอกเลยคนหนึ่ง ว่าเขาเห็นประธานนาทิบดีเขาอยากเป็นมั่งในที่สุดก็ได้เป็นประธานาทิบดีลินคอนนะลินคอนนี่ก็อย่างนั้นก็เป็นเด็กชาวนาเป็นนอกธรรมดาเนี่ยแมอยากเป็นประธานนาทิปดีอยงนั้นแต่ก็ภาคเพียงพยายามจนได้เป็นจริงๆนะคือขนาดว่าทางโลกเนี่ยนะอย่างนั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วนี่ทําไมจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนี่ก็อาศัยการเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่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 อย่างที่สาอย่างที่สามนี่ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่พระตถ า, าคตแสดงธรรมได้ฟังพระพุทธคุณมางั้นนะพระมหาบุรุษนั้นพอได้ฟังธรรมปฏิสังยุตตด้วยพุทธานุภาพคือฟังพุทธคุณโดยพิสดารเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถ า, าคตประกอบด้วยกําลังสิบเรียกว่าทศพลยานสิบเวสารยานสีอาสาธารณายานหกฟังเกี่ยวกับเรื่องพุทธยานเป็นต้นของพระพุทธเจ้า ใจก็น้อมไปในสัมโพธิญาณกระทาธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพุท ธ, ธานุภาพก็เลยตั้งจิตไว้ในการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพระว่าโหพระพุทธเจ้านี้มีคุณธรรมยิ่งใหญ่จริงจริงเนีนะพอได้ฟังเช่นฟังเวสารัชยานก็อยากจะเป็นอย่างนั้นฟังทศพลยานก็อยากจะมีทศพลยานแบบนั้นฟัง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 อัธยาศาัยใหญ่เนี่ยนะบอกอเราทำได้อยู่แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้นะนะบางคนนี่ใจใหญ่ใจกว้างขวางถ้าเราว่าเป็นคนขันอาศารักษาแบบแผนพุทธวงศ์เอาไว้เลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีอัธยาศาัยใหญ่อันนี้ น, นี่ยกอัธยาศัยขึ้นมาเป็นตัวอย่างอะนะไม่ใช่ว่าท่านมีแค่นี้หรอกท่านมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดอะนะแต่ว่ายกมาว่าประเด็นไหนที่มันชัดเท่านั้นเอง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 เป็นต้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเฝ้าอ้อนวอนขอความเป็นพระพุทธเจ้ามานานคิดในใจนะอายไม่กล้าบอกใครก็คิดอยู่นั่นแหละเขตั้งความปรารถนามาเท่าไหร่เจดอสงไขยทําบุญแล้วก็พูดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9้าอสงไขยมันอันนี้เป็นเหตุอันที่หนึ่งที่ท่านทํามานานทามามาก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 พระมหาบุรุษเพียรพยายามไม่เบื่อหน่ายจากวัตทุทุกเมทั้งสิน้นเรียกว่าไม่เบื่อความทุกข์เลยนะแล อ, อบางคนเนี่ยบอกบางคนเนี่ยคล้ายๆบอกเขาไม่เบื่อความทุกข์จริงๆนะเขาทนได้เสมอจริงๆเรียกเหมือนกับพวกชาวนาบางกลุ่มเนี่ยนะกลมแดดกลมฝนไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายบอกเมื่อไหร่ฝนจะตกเขาจะได้ทํานาเหมือนกัน บางคนนี่ไม่เบื่อไม่หน่ายแน่ๆเขาเรียกนะว่าเป็นพวกกรรมแดดกรรมฝนอย่างก็บอกว่าแม้กระทั่งสายทหารเหมือนกันโอ้ยมีความสุขกับที่จะมีสงครา ม, ม น, นะมีความสุขมากฟังแล้วแหมมันเป็นชีวิตชีวาขนาดอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างนักมวยทั้งหลายไม่ได้งองไงหจะได้เมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่ออีกเมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่ออีกมนะันะกล้าสเสมอนี่ก็เหมือนกันคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่กลัวทุกข์เลยเนี่ยนะ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 ท่านไม่เบื่อจากการประพฤติกิจที่ทำได้ยากเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตวนะ์เนยะจะทุกขนาดไหนก็เพื่อสัตว์เนี่ยทำได้อย่างบางคนเนี่ยนะเพราะว่านอ น, นอนอยู่ไม่สบายอยู่บอกมาถ้าบอกว่าทาเพื่อบางอย่างอะไรแหมขยันขึ้นมาทันทีเลยนะลุกขึ้นทำได้เลยนะพอบอกว่าไม่ใช้ทำเพื่ออย่างนั้นหมดแรงทันทีเลยนะบอกหมดเรี่ยวหมดแรงทันทีเลย บางคนเนี่ยมันใจนันขนาดนั้นจริงๆนะบอกว่าถ้าทําเพื่อบางอย่างที่ตัวเองชอบนะอุ้ยมีเรี่ยวมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้พอบอกว่าไม่ได้ออย่างที่ว่าเนี่ยนะหมดแรงนอนแผลเลยนะแต่อย่างนั้นจริงๆเพราะนี่แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านนิสัยเนี่ยทําได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านจึงทนทุกข์ได้ตลอดกาลนานโดยที่ไม่หวาดเสด้งต่อความทุกข์เลยไม่กลัวต่อความทุกข์เลย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 ช่วยเหลือตัวเองให้รอดเถอะมันก็ยังยากเลยนะช่วยเหลือตัวเองยังจะช่วยญาติจะกล่าวไปใยายถึงช่วยผู้อื่นเนี่ยไม่เชื่ออ่านทระไตรปิฎกอ่านเป็นเนี่ยคนเขาอยากฟังไหมล่ะอยู่เงียบๆไหนได้ไหมว่างั้นก็คําเดียวกันอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ใช่ไหมเอวเมสุตังอะนะเออย่างเงี้ยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบประชิตไม่ควรเสพเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เราสวดธรรมจักเนี่ยนะเราสวดผิดเวลารู้สิ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 ไม่งั้นศาสนาไม่มีวันเสื่อมรอกผูติเจ้าตต่สรุองค์เดียวที่เหลือช่วยกัน ร, รักษาให้หมดเลยบอกไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก